เดียวก่อนก็ไดนะ้จะรีบไปหรือเปล่าเออไม่รีบฟังธรรมะ ก, ก่อนธรรมะ ม, มีหลายหลายขั้นตอนหลายระดับไม่เวลาเราคุยธรรมะ ก, กันหรือเราฟังคนคุยธรรมะเราต้องรู้ว่าเขาคุยระดับตรงไหนแล้วธรรมะแต่ละระดับเนี่ยบางทีฟังเผลอเผลอแล้ขัดแย้งกันงั้นมาหาเรื่องทะเลาะกันได้เรื่อยๆนะ <c oughs> <laughs> พวกสนทนาธรรม อย่างธรรมะบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีตนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในขณะที่ธรรมะบอกว่าไม่มีตัวไม่มีตนอะไรแค่นี้ก็ทะเลาะกันได้แล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อบอกว่าการปฏิบัติต้องปลอดจากตัณหาและทิฏฐิให้รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นบางคนบอกถ้าไม่มีตัณหามันจะอยากปฏิบัติได้ยังไง อยากปฏิบัติก็เป็นตันหาอย่างเงี้ยงั้นเวลาเราฟังคนพูดธรรมะเราก็้อเข้าใจเขาพูดในแง่ไห น, ไหนมุมไหนนะแต่บางคนคุยด้วยเราปวดหัวเราคุยธรรมะอยู่มุมนี้นะเขาเปลี่ยนมาคุยตรงนี้แย้งได้ละพอเราลดลงมาคุยตรงนี้เขายกขึ้นไปคุยตรงนี้นะ <c oughs> เจออย่างนี้ก็ไม่คุยด้วยเสียเวลานั่งอยู่ในวัดก็เจออะไรประหลาดประลาดเต็มไปหมด คนมันร้อยพ่อผันแม่นะแต่ถ้าสนใจศึกษาธรรมะเพื่อจะลดละกิเลสของตัวเองให้จิตใจเข้าถึงความสุขความสงบเนี่ยอันนี้มันไม่ยากอะไรแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องเอาไว้กุยเล่นๆธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องออกมาประพฤติปฏิบัติจริงๆบางคนท่องศีลห้าได้แล้วทำไม่ได้สักข้อนี้ป่วยการหรือพระเป็นพระท่องปาติโมกได้ ก็ขาดโน่นขาดนี่แหว่งไปเรื่อยๆก็ไม่ดีอาจจะพูดไม่เป็นเลยแต่ใจเป็นธรรมะก็มีนะบางคนอธิบายไม่เป็นหรอกพูดอะไรไม่ถูกเลยแต่ใจเ็าเป็นธรรมะเวลาพูดดูไม่เห็นมีอะไรอย่างอาจารย์สุรวัตรเนี่ยเก่งจริงๆนะนี่เป็นคนที่ภาวนาได้เก่งเชียวละ่ะ เวลาใครไปถามกรรมฐานนะไม่รู้ไม่รู้มีอะไรก็รู้ไปรู้กายรู้ใจไปรู้ลูกเดียวอะไรเงี้ยฟังแล้วไม่ค่อยน่าเริ่อมใสแต่ของจริงๆของดีๆของแท้ๆนะบางทีเปลือกไม่ค่อยงดงามไม่ค่อยน่าตื่นเต้นบางคนมีแต่เปลือกนะงดงามน่าตื่นเต้นมีแต่เปลือกเนื้อไหนเน่า ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเจตโ้นโลดนรกเป็นที่ไปพระเจ้าสอนบอกว่าเราจะรู้จักคนได้เนี่ยต้องคบกันนานๆาสอนอย่างนี้ต้องคบกันนานๆก็รู้จักรู้จักเนื้อแท้เขาเราก็ปฏิบัติต่อแต่ละคนด้วยความเมตตาเสมอกันนะคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปรักคนดีไปเกลียดคนชั่วไม่ใช่แต่เราไม่ใช่ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเดียวกัน เมื่อพระพุทธเจ้าสอนอาเสวานาจะพารานางังไม่คบคนพานบัณฑิตานันจะเสวานาคบบัณฑิตอย่างเนี้ยถ้าพูดเรื่องไม่คบคนพานคบบัณฑิตนะเขาเริ่มเสียงได้เลไม่มีคนต่างหากละ <c oughs> ไปโน้นซะอีกนะนี่อะไรเป็นลักษณะที่ว่าคนไหนเราควครคบคนไหนเราไม่ควครคบก็ต้องรู้นะถ้าคนไหนเราไปคบด้วยแล้วอกุศลที่ไม่มีก็มีขึ้นมา กุศลที่มีแล้วงอกงามพอกฟูนขึ้นอย่างนี้ไม่เอาออกห่างห่างไวคนไหนเราครบด้วยแล้วกุศลที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วเกิดบ่อยขึ้นเราก็คบคนชนิดนี้จิตใจเราจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่เราต้องคบทุกคนเสมอภาคกันเราต้องเลือกคบคนไม่ดีเราก็เดือดร้อน นี่ธรรมะ ม, มีหลายระดับนะตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูงที่ไม่มีผู้มีคนอะไรเบื้องต้นยังเป็นธรรมะพื้นๆที่จะอยู่กับโลกก็ต้องมีคนก่อนแต่ทําไมในมงคลสูตรนะีมงคลสาสิบประการเนี่ยเริ่มต้นจากไม่คบคนผ่านถ้าคบคนผ่านีานานก็คือไายนะหละธรรมะที่ดีงามทั้งหลายไม่งอกงามขึ้นมาละมีแต่เสื่อมไป กิเลสที่ไม่เคยเกิดเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นกิเลสที่เกิดแล้วรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นงั้นท่านถึงเน้นนักหนาอยาคบคนผานนะให้คบบัณฑิตคบคนนี้แล้วเออพากันภาวนานะดีภาวนากันไปด้วยกันเป็นเพื่อนภาวนากันไปอะไรเงี้ยหรือบางคนชอบเราชวนคุยชวนเราคุยฟุ้งซ่านคุยเรื่องโลกโลกอะไรเงี้ย ไปคุยกับคนนี้นะสติแตกกับมาทุกทีเราไ่ไปคุยกับเขานี่เราไปคุยกับใครแล้วสติเกิดแล้วก็ไปกับคุยกับ ค, บคนนั้นเนี่ยต้องเลือกนะต้องรู้จักฉลาดในการดำารงชีวิตเพราะว่าเราจะต้องภาวนานะพัฒนาตัวเองไปให้กูสนเนี่ยงอกงามมากขึ้นมากขึ้นให้อากูสนลดลงลดลงต้องพากเพียรเอา เบื้องต้นท่านถึงบอกว่าละบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมมันคนละขั้นนะกต่ทาจิตผ่องแพ้วากุศลมันถึงพร้อมอกุศลไม่เกิดนผิดมันผ่องแพ้วบางทีครูบาอาจารย์บอกละบุญละบาปไม่ใช่ให้ไปทําชั่วนะละบุญละบาปหมายถึงไม่ติดทั้งบุญไม่ติดทั้งบาปแต่ว่าทําอะไรอะทำบุญไม่ทาําบาปค่อยๆละบาปค่อยละละอากุศลไป จิตใจค่อยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแต่เดิมกิเลสเราเยอะ <c oughs> มันเยอะทุกคนแหละนะเรามีกิเลสอยู่เราก็ค่อยมาดูของเราไว้เราจะเห็นเลยกิเลส <c oughs> มุนเวียนเปลี่ยนหน้า <c oughs> เข้ามาทํางานทั้งวันทั้งคืนถ้าเรารู้ทันมันครอบงําจิตไม่ได้อํานาจของกิเลสก็ค่อยๆอ่อนกําลังลงเรียกว่าอนุใสยมันลดลง งั้นเราหัดเจริญสติเนะี่ยอนุสัยจะค่อยๆ อ, อ่อนลงไม่ใช่ตัวกิเลสดับไปนะเราไม่ได้ภาวนาให้กิเลสดับกิเลสอยู่ในของทุกข์กองขันหน้าที่ของเราคือรู้มันทันทีที่เกิดสติไม่มีกิเลสจะให้ละเพราะงั้นงานของเราไม่ใช่งานละกิเลสนะกิเลสเกิดขึ้นนะพอสติไปรู้ปั๊บนี่หน้าที่เราไปรู้มันกิเลสจะดับวับไปเลย สิ่งที่ค่อยๆถูกละไปทีละน้อยทีละน้อยนะคืออนุัยสันดานสันดานที่ไม่ดีค่อยๆถูกละไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ถ้าตอบสนองกิเลสเรื่อยๆนะสันดานที่ไม่ดีก็จะเพิ่มขึ้นภาษาบาลีเรียกอนุัสภาษาไทยเรียกง่ายๆนะสันดานพูดฟังง่ายๆนะสันดานก็มีสันดานดีสันดานเร็วใช่สันดานายดีเขาเรียกบารมี สันด้านฝ่ายชั่วก็คือพวกอนุัยกิเลสทั้งหลายสะสมไปเรื่อยๆงั้นเวลาเราทำกรรมดีเนี่ยต่อไปเราจะคุ้นเคยที่จะทำดีเราจะทำดีง่ายคนไหนคุ้นเคยที่จะทำแต่ความชั่วทำชั่วง่ายอย่างแต่เดิมหัดโกหกทีแรกมีใครไม่เคยโกหกไหมใครจะโกหกหลวงพ่อว่าไม่เคยโกหกมีบ้างไหม หัดโกหกทีแรกนะใจสั่นเลยใช่ไหมใจสั่นเลยหน้าแดงความดันเพิ่มเนี่ยจนเขามีเครื่องวัดเขามีเครื่องจับเท็จโกหกจนเป็นอาจิน ช, นชนานิชานานหน้าไม่แดงใจไม่สัน่นยิ้มแยม้มเนี่ยเพราะว่าเคยชินที่จะทำชั่วยิ่งทำชั่วง่ายนี่งั้นศาสนาพุทธนี่นะท่านจะประณีตมากเลยในการ จำแนกแจกแจงเอย่างพวกเราชอบคิดนะว่าทำชั่วง่ายหรือทำทำดีง่ายกว่ากันอะไรยากกว่ากันอะไรง่ายกว่ากันเราก็ชอบคิดนะทำชั่วง่ายทำดียากแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ท่านสอนอย่างจำแนกเลยคนชั่วทำชั่วง่ายนะฮะคนดีทำดีง่ายคนดีทำชั่วยากนะคนชั่วก็ทำดียากเนี่ยมันอยู่ที่ความเคยชิน เราต้องลดละสำรวจตัวเองอย่างซื่อๆตรงๆนะโกหกตอแหลคนอื่นได้นะแต่หลอกตัวเองไม่ได้หรอกนะอากุสนสะสมทุกวันทุกวันยังไงก็ต้องให้ผลกุสนสะสมทุกวันต้องให้ผลนะเวลาโยมเยอะๆนะั้นธรรมะมันจะกลายเป็นธรรมะแบบนี้ทุกทีเลย <c oughs> ใครอยากฟังธรร ม, มะขั้นปรมัติต้องมาวันธรรมดานะพวกเราอยู่กับโลก ได้รับความทุกข์มากคนในโลกขาดศีลขาดธรรมมากปากกัดตีนถีบล้ว น, นแต่กัดคนอื่นถีบคนอื่นทั้งนั้นแหละที่ว่าปากกัดตีนถีบตะเกียกตะกายขึ้นไปเหยื่ยืนเหนือคนอื่นรู้สึกปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยสังเกตไหมขึ้นไปเหนือคนอื่นแนละ้วก็กลัวคนอื่นเขาจะเหยียบขึ้นมาบ้างเคยเหยียบขนเขาไหมก็ต้องกลัวคนอื่นเขาเหยียบบ้างแหละตะเกียกตะกายเพราะงั้นชีวิตหาความสุขไม่ได้เลย ชีวิตที่ขาดธรรมะนะแห้งแลง้งมีแต่ความเล้าร้อนอย่าประมาทนะนรกมีจริงๆนะไม่ใช่หลอกเด็กนรกก็ตกให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่แหละไม่ต้องไปตกที่ไหนไกลเวลากิเลสเกิดดูสิใจมีความสุขหรือใจมีความทุกขนะ์ล่ะเวลากิเลสเกิดเห็นไหมเร้าร้อนนรกทั้งเป็นเลย เวลากุศลเกิดร่มเย็นเป็นสุขรู้สึกหมงั้นอย่าทำชั่วนะทำความดีแล้วทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะสอนอย่างนี้นี่อุษาอ้างพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์เดียวด้วยพระพุทธเจ้าสอนทั้งหลายสอนอย่างนี้ไม่ทำชั่วทำความดีทำกุศลให้ถึงพร้อมถามว่ากุศลให้ถึงพร้อมมีอะไรกุศนละก็คืออรพูพาอโศสมะ อ า, อารมภาอโทซาโมหะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะ่ะเรียกกุศลความไม่โลภทำไงมันจะไม่โลภล่ะก็ใจมันเคยโลภมันยิ่งได้มันจะยิ่งเอานะอืใจก็ร้อนสิก็หัดไม่เอาบ้างหัดให้คนอื่นซะบ้างนะถ้าหัดให้เป็นแล้วจะรู้สึกว่าการให้นะมีความสุขมากกว่าการไปแย่งเขานะหรือหัดโกรธนะความโกรธมันเกิดได้ไม หัดไม่โกรธ ด, ดูบ้างหัดมองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรบ้างมองคนอื่นอย่างเท่าเทียมกันใช่มองแบบเหยียดเขากดเขาลังแกเขาผ่มเหงเขาเพื่อคูจะได้เด่นเหนือคนอื่นอะไรย่เงี้ยจิตใจเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยความเล้าร้อนพยายามมองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรบ้างเสมอกันนะแต่ละคนทำใจให้เสมอกันล้วก็ต้องดูคนอื่นเขาก็รัก ความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันในยารังแก่กันใจก็ค่อยๆมีความรู้สึกเป็นิตรเมตตาอาทรต่อกันจิตใจก็ล่มเย็นเป็นสุขนะใครเข้าใกล้เราเขาก็มีความสุขไปด้วยเนี่ยยิ่งกว่าเมตตามหานิยมทั้งหลายอีกนะความเมตตาเนี่ยไปค่อยจะตุคามก็ไม่ได้ช่วยให้มีเมตตานะไม่ช่วยละราคะโทสะโมหะอะไรหรอกมีแต่เพิ่มราคะโทสะโมหะสี่ห้อยแล้วเฮงเนี่ย มีลุ่นโคตรมหาเศรษฐีโคตรของโคตรเศรษฐีนะไหมนี่ยมันโลภะชัดๆเลยเก่งมหาเฮงเฮงตลอดกาลอรย่างเงี้ยเนี่ยเลืนแต่โลภะทั้งนั้นเลยโลภะมากโทสะ ก, ก็ต้องมากสิโทสะมันเป็นลูกของโลภะนี่ยแล้วทั้งหมดนั่ก็เป็นโมหะหลงนั่นแหละหลงคิดว่าสิ่งอื่นนอกเหนือจากกรรมของเราเนี่ยจะช่วยเราได้ ส่วนการจะละโมหะนะทําได้ด้วยการภาวนาเท่านั้นจเจริญสติละโลภะทําด้วยทานได้นะละโทสะมีศีลไว้อย่างน้อยศีลกั้นไว้ไม่ทําชั่วนะก็จเจริญเมตตาไปโทสะก็ลดลงจะละโมหานี่มีทางเดียวคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองบ่อยๆถ้าเมื่อไหรลืมกายเมื่อไหรลืมใจเมื่อนั้นมีโมหนะพวกเราสํารวจ ตัวเองด้วยความซื่อตรงนะของเราลืมตัวเองวัละกี่ครั้งวัละครั้งส่วนใหญ่ <c oughs> ไม่ใช่วันละกี่ครั้งหรือวันละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมตลอดนะถ้าภาวนาเก่งๆนะจะลืมตัวเองบ่อยชียิบเลยรู้สึกตัวขึ้นมาแวบเผลอแวบเผลอแวบเผล่อย่างนี้ตลอดเลยนะพรู้ไม่หลงนานไม่หลงนานไม่เผลอยาวสติเกิดไวขึ้นไวขึ้น รู้สึกถึงกายบ่อยๆรู้สึกถึงใจบ่อยๆเรื่อมีสติสติถ้าพูดภาษาไทยเอาง่ายๆนะภาไทยง่ายๆรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจกายมันมีอยู่แล้วใจมันมีอยู่แล้วแต่ลืมมันต่างหากก็เลยขาดสตนะิเพราะงั้นเราลึกถึงความมีอยู่ของกายเราลึกถึงความมีอยู่ของใจไว้ต่อไปมันจะเกิดปัญญาวิธีทําให้เกิดปัญญาก็คือพอเรามีสติไม่ลืมกายไม่ลืมใจแล้ว เราคอยตามรู้กายอย่างที่เขาเป็นตามรู้จิตใจอย่างที่เขาเป็นไปกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นคําว่ากายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือคํารวบยอดของคําว่าวิปัสสนาละดั้นแรกมีสติก่อนมีสติไม่ลืมกายไม่ลืมใจรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจเสร็จแล้วก็มาจเจริญวิปัสสนา กายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นคำว่าเป็นยังไงถามว่าเป็นอะไรเป็นยังไงเป็นยังไงคือเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เป็นอย่างอื่นนะถ้ารู้สึกถึงกายว่ากายเป็นตติกลูปนาสุภาเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นกายเห็นใจนียเป็นไตรลักษณ์เท่านั้นขอบเขตของวิปัสสนาอยู่ที่เป็นกายเห็นใจนี้เป็นไตรลักษณ์กายมันเป็นยังไงมันเป็นไตรลักษณ์ มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงส่องกระจกดูทุกวันนะถ้าอายุขึ้นเลขสแล้วก็ส่องสำรวจตีนกาเพิ่มหรื อ, อยังนะค่อยๆสำรวจไปผมงอกบ้างมีหรื อ, อยังนะค่อยๆสำรวจดูคนอินเดียสมัยโบราณนะมีธรรมเนียมเลยถ้าผมเริ่มงอกนะเป็นเวลาที่จะต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตัวเองละ จะต้องออกจากกาออกจากโลกแล้วไปศึกษาตัวเองเขาเข้มงวดอย่างนี้นะแต่ถ้าใครหัวงอกเร็วหัวงอกแตกเกินก็ <c oughs> ยกเวน้นอย่างก็ยกเว้นนี่คงเกณฑ์เฉลี่ยคนทั่วทวไปแล้วพอมีลูกมีเต้าขึ้นมาจนหัวเริ่มงอกเริ่มสำรวมเริ่มระวังถือว่าความตายมาเตือนแล้วเทวทูตมาเตือนแล้วความแก่มาเตือน ก็มาเตือนแล้วก็สํารวจตัวเองนะสมควรการที่จะศึกษาตัวเองนะเขาไม่ประมาทศึกษาตัวเองจนเข้าใจแล้วนี้ช่วยเหลือผู้อื่นเห็นไมไม่ใช่เอาตัวรอดนะสุดท้ายก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นนี่เขาเรียกอาสมอาสมเสียอันตอนเป็นเด็กเขาเรียกโรมอาจรรย์โรมอาจรรย์ก็คือศึกษาเรียนรู้วิชาการที่จะอยู่กับโลก ช่วงเวลาที่สองเป็นคฤรือหัดผู้ครองเรือ น, นเอาวิชาความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนแล้วมาทำมาหากิ น, นเลี้ยงครอบครัวอย่างี้ต่อมาพอเริ่มแก่นะผมงอกไม่ใช่แก่งากๆนะไม่ใช่งอกแล้วไปย้อมไว้ก่อนเดี๋ยวงอกอีกทีย้อมอีกทีนะรงความแล้วยังไม่ต้องศึกษาตัวเองถ้าศึกษาตัวเองจนเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็มาช่วยเหลือคนอื่ น, นมาชี้ทางสว่างให้คนอื่น ทางอินเดียเขาถือว่าถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้นะชีวิตสมบูรณ์แบบนะเป็นหน้าที่ของคนมีสหน้าที่ไม่ใช่สิทธินะเราไปติดแบบฝรั่งเราเรียกแต่สิทธิเราลืมหน้าที่ชาวตะวันออกเราเน้นหน้าที่นะเน้นการทําหน้าที่สิทธิหรืออะไรต่างๆมันจะตามมาเองอย่างเราอยากให้คนนับถือใช่ไหมทำคุณงามความดีแล้วเขานับถือ มีหน้าที่พัฒนาตัวเองและเขานับถือเองไม่ต้องโฆษณาชวนเชื่อแลวฝรั่งมันจะเอาสิทธิต่อสู้ฟ้องร้องกันเก่งเดี๋ยวนี้เราก็พยายามอย่างฝรั่งนะชักฟ้องกันเก่งนะอย่างแต่ก่อนหมอรักษาโรคสงเดชคนตายนะคนบอกเป็นเวรเป็นกรรมไอ้ <c oughs> อย่างนี้ก็โง่ไปหน่อยนะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าต้องฟ้องอย่างเงี้ย สังคมนิ่งเครียดขึ้นทุกวันนะเครียดทำมาหากินอะไรยุ่งยากทุกวันต้องศึกษาธรรมะเราไม่ต้องรออย่างแขกนะไม่ใช่รอแก่เราศึกษาของเราไม่ใช่แขกนี่เราชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยเรามีหน้าที่ศึกษาธรรมะตั้งแต่แรกเลยเท่าที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้ก็ต้องศึกษาธรรมะแนละเด็กก็ศึกษาธรรมะของเด็กนะผู้ใหญ่ผู้ครองเรือนก็ศึกษาธรรมะของผู้ครองเรือน คนไหนอยากพัฒนาตัวเองไปอย่างรวดเร็วคลองเรือนอยู่ด้วยนี่แหละศึกษาธรรมะที่จะพ้นโลกไปด้วยไม่ได้ฝืนกันไม่ได้ขัดกันนี่ทําไงจะพ้นโลกอะไรคือโลกกายกับใจนี่คือโลกนะสิ่งข้างนอกที่เราเรียกว่าโลกนั้นเป็นโลกโดยสํานวนโมหานทางภูมิศาสตร์ทางอะไรอย่างนั้นทางดาราศาสตร์แต่โลกในตามความหมายของพระพุทธศาสนาเนี่ย คือร่างกายที่ยาวประมาณ1งวา2เมตรนาหนึ่งคืบกว้างหนึ่งศอกอย่างหลวงพ่อก็ประมาณสองศอกอย่างงี้ยนะแต่ละคนมันก็เหลื่อมเหลื่อมบ้างนะไม่ใช่มีแต่ร่างกายนะสิ่งที่เรียกว่าโลกคือกายที่ยาววาหนาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจคล่องมีความจำได้หมายรู้มีใจนะมีจิตใจมีความรู้สึกนึกคิด นี่เรียกว่าโลกคือกายกับใจนั่นเองถ้าหน้าที่ของเราต่อโลกคือเรียนรู้มันเรียนรู้มันไปเรื่อยบางทีกายกับใจนี้ก็ไม่เรียกว่าโลกเรียกว่าทุกก็ได้เพราะกายกับใจเป็นตัวทุกข์รู้โลกแจมแจ้งพระพุทธเจ้าท่านใช้ชื่อว่าโลกาวิทูรู้โลกแจมแจ้งไม่ใช่รู้ภูมิศาสตร์แจมแจ้งนะไม่ใช่รู้ดาราศาสตร์ท่านจะรู้หรือไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้กับท่านหรอกนะแต่ว่าคําว่าโลกาวิทูจริงๆนะ รู้โลกคือกายกับใจนี้แจ่มแจ้งรูปธรรมนามธรรมานี้แจ้งจนไม่ยึดถืออะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้โลกแจ่มแจ้งก็ไม่ยึดถือโลกนะหรือบางทีท่านก็เรียกขันห้าเป็นทุกข์กายกับใจนี้เป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์หน้าที่ของเราก็รู้ทุกข์เห็นไหมเหมือนกันแหละแนละรู้โลกแจ่มแจ้งหรือรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็อันเดียวกันนะั่นแหละพอรู้แจ่มแจ้งจิตจะคลายความยึดถือกายยึดถือใจนี่ เราจะเข้าถึงความสุขอันมหาศาลซึ่งเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นนึกก็นึกไม่ออกหลวงพ่อกล้าบ อ, อกเลยนะนึกก็นึกไม่ออกหรอกว่ามันสุขยังไงความสุขที่เราเคยเจอล้วนแต่ความสุขที่อิงอาศัยสิ่งอื่นๆทั้งสิ้นเลยนะกระทั่งยิงอาศัยฌานสมาบัตนะิส่วนความสุขจากการที่ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะอัศจรรย์สุดๆเลยนะไม่ได้มีอะไรเลยแต่มีความสุขที่สุดเลยมีความสุขกับความไม่มีไม่เป็นอะไรนะ มันมีความไม่มีนะมีแต่ไม่ใช่ไม่มีแบบว่างเปล่ามันไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่มีทุกไม่มีกิเลสมันไม่มีขันนิพพานไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนิพพานมีนิพพานไม่ใช่นิพพานไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นวิชาทิฏฐิเรียกว่าอุเฉททิฏฐิหรือนัตติกาทิฏฐิไม่มีอะไรเลย ถ้าอีกอันนึงก็ขาดศูนย์ไปเลยนะเรี่อุเฉตทิฏฐินี่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันมีแต่มันมีความไม่มีอะไรคําว่าอะไรคืออะไรอะไรก็คือรูปกับนามกายกับใจหรือกองทุกข์ทั้งหลาย น, นั่นเองกองกิเลสทั้งหลาย น, นั่นเองนั้นเราภาวนาณนะตอนนี้พวกเราไปยังเข้าไม่ถึงธรรมชนิดที่หลวงพ่อบอกนี้นะค่อยศึกษากายศึกษาใจของเราไปเรื่อยๆ ศึกษาแจมแจ้งวันหนึ่งแจ้งขึ้นเมื่อไหรมันคลายความยึดถือออกไปแล้วความทุกข์มันก็ลดลงลดลงเพราะ ก, ก, กายกัใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆการที่เราต้องแบกหามกายแบกหามใจเอาไวน้นี่ก็คือแบกหามความทุกข์เอาไว้นั่นเองนต้องระมัดระวังนะต้องค่อยศึกษาอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อมนตรีชวนให้บวชนานไม่บวชอะ พ็ท่านวาประมาทนะแม่ชีชวนให้บวชเลยถูกว่าประมาทนี่นะฟังดูไม่เสียหายใช่ไหมในทางโลกไอ้นี่เป็นคนประมาทในทางธรรมนี่เสียหายที่สุดเลยคนประมาทคนขาดสติคนไม่พัฒนาตัวเองคนประมาทพระพุทธเจ้าตำหนิตีเตียนงั้นโดยท้อหาประมาทนี่ในทางธรรมนี่ร้ายแรงในทางโลกเล็กน้อยรู้สึกหม ฆ่าคนตายโดยเจตนากับฆ่าคนตายโดยประมาทเนประมาทมีโทษน้อยในทางโลกแต่ประมาทนี่มีโทษมากในทางธรรมประมาทคือขาดสตินั่นเองลืมกายลืมใจลืมไม่รู้แล้วว่าจะตายเมื่อไหร่ลืมหมดเลยคิดว่ากูจะอมตะนิรันดร์การสมัยก่อนมีเทปนะชอบทาชุดอะไรนะอภิมาหาอมตะนิรันดร์การมันนิรันดร์้ายพอขายหมดมันก็หายไปแล้ว ศึกษาให้ดีนะศึกษาให้ดีค่อยรู้กายค่อยรู้ใจตัวเองอย่าใจลอยไปยเสียเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งเรารักตัวเองแต่เราลืมตัวเองบ่อยที่สุดเลยรักตัวเองแต่ไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยคิดถึงใครดูสิคิดถึงคนอื่นส่วนใหญ่คิดถึงคนอื่นคิดถึงเรื่องราวภายนอกละเลยที่จะรู้กายละเลยที่จะรู้จิตใจของเราเอง ดำรงชีวิตเหมือนกับว่าชีวิตนี้เป็นของเที่ยงแท้ถาวรคิดเหลือว่าจะมีอายุร้อยปีถ้าเรายังรู้สึกนาะวันนี้ยังไม่ตายเนี่ยประมาทแล้วนะถ้าคิดว่าวันนี้ยังไม่ตายแน่นอนเนี่ยประมาทแล้วถ้าพูดอย่างพระพุทธเจ้านะแค่คิดว่าวันนี้จะตายแน่นอนยังประมาทเลยเพราะความตายเกิดอยู่ทุกขณะทุกขณะแต่ไม่เห็นนะแต่ว่าเราอนุโลมนิดหน่อยนะ แค่ว่าเคยรู้สึกไหมจะตายวันนี้มีใครเคยรู้สึกไหมถ้าไม่ป่วยหนักร่อแรกจริงๆยังไม่รู้สึกอะ่ะเราจะรู้สึกว่าคนอื่นอาจจะตายได้นะสัง เ, เกตไหมเราจะคิดได้นะว่าอย่างขับรถไปเนี่ ย, ยคนอื่นอาจจะโดนรถทับตายวันนี้แหละแต่เราจะไม่คิดว่าเป็นเราเราจะคิดว่าจะมีชีวิตได้อีกนานๆ น, นีน่ถ้าเราไม่ประมาทนะอย่าให้เสียใจทีหลังอะไร สมมติว่าเราตั้งใจไว้นะสมมติเหมือนเราจะตายวันนี้ละอะไรที่สมควรทำบ้างในวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องรอให้ถึงวันสุดท้ายจริงๆหลวงพ่อมีญาติคนหนึ่งนะชวนภาวนาไม่ภาวนานะพอเข้าโรงพยาบาลเจ็บหนักแนละ้วถามว่าจะภาวนายัางไงช้าไปละช้าไปละเพราะฉะนั้นต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้กิจกรรมอะไรที่เราอยาก จะทําในวันสุดท้ายของชีวิตเนียให้รีบทําซะก่อนนะเหมือนอย่างบางคนนะอยากจะบอกเพว่าแม้เรารักพ่อแม่เราลักเกินรักแฟนเรารักลูกเราอะไรเนี่ยนะแต่ไม่บอกไว้ก่อนนะตอนจะตายถูกเขาใส่อะไรเข้าไปแล้วพูดไม่ออกแล้วอยากพูดเนี่ยอยากพูดพูดไม่ได้แล้วไม่ทันเราไม่รู้นะจะโดนเมื่อไหร่ หลายคนเลยเห็นหน้ากันปุ๊บปั๊บปั๊บเดียวตายไปแล้วะถ้าแก่ขนาดหลวงพ่อแล้วจะรู้ว่าคนมันตายง่ายมากเลยมีอยู่คนหนึ่งรู้จักกันเป็นแม่ครัวอยู่วัดสาขาของวัดหลกงปูเทศแข็งแรงยังสาวทํางานเก่งกระฉับกระเฉงวันหนึ่งกินข้าวธรรมดานี่เองสําลักสําลักข้าวนะกินข้าวอะสาลักข้าวอาหารเข้าไปในหลอดลมหายใจไม่ได้ตายเลย แค่สำลักอาหารทีเดียวก็ตายได้ละงั้นเราสำรวจนะเราอย่าประมาทความตายถึงตัวเราเมื่อไหร่ก็ได้อะไรที่เร็วๆอย่าไปเอาเลยบางคนกะสะสมทรัพย์สมบัติเยอะแยะเลยนะเอาไว้ให้ลูกหลานใช้ไม่แน่จริงหรอกคนที่สะสมทรัพย์สมบัติได้เก่งที่สุดคือใข่รู้ไหมพระพุทธเจ้า <laughs> พวกเรานะสะสมทรัพย์สมบัติไว้ถามว่าเราจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้กี่เจเนอเรชั่น พระพุทธเจ้านะเลี้ยงลูกพระหลานพระมาจนสองพันห้าร้อยกว่าปียังเลี้ยงได้อยู่เลย mm hmm. เพราะท่านมีคุณงามความดี mm hmm. ตั้งแต่หลวงพ่อบวชใหม่ๆนะเวลาไปบินธบาตกลับมาฉันนี่นะโอ้จะรู้สึกซาบซึ้งพระพุทธเจ้ามากซาบซึ้งโห อ, อาหารทั้งหมดนี้เขาไม่ได้ให้เรานะญ mm hmm. าติโยมทั้งหลายเขาให้มานี่เพราะเคารพพระพุทธเจ้าไม่ใช่เคารพกูนะไม่ใช่กูเก่งกูวิเศษนะ mm hmm. คนเข้ามากราบมาไหว้นะหลวงพ่อไม่เคยยื่นหน้าออกไปรับเลยนะที่ญาติโยมมากราบมาไหว้รู้ว่าเขากราบพระรัตนตรยัยไม่ใช่มากราบร่างกายที่ผูู่่พังพังอย่างนี้เนี่ยถ้าใจเรานะมันไม่น่าด้าน <c oughs> มันไม่น่าด้านพอ่ะไปแย่งคุณความความดีของพระพุทธเจ้าหรือของพระรัตนตรยัยยังโยมบางคนนะสงสัยหลวงพ่อันี้หยิ่งฉมัดเลยกราบก็ไม่ค่อยจะมอง ก็โยมกราบพระรัตนตรัยนะได้บุญเยอะนะนี่ามาหลงกราบร่างกายนี้เลยร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ได้มีประโยชน์อะไรนักหนาหรอกนะมันแค่สั ญ, ญลักษณ์ของพระรัตนตรัยเท่านั้นเองโอ้โยมเยอะนะธรรมะมันพิลึกที่ลึ ก, ลกไม่ค่อยจะเรื่องปฏิบัติเลยให้ถามดีกว่าก็อตอนเนี้ครับเห็นสภาวะเหมือนประมาณว่าเกิดดับใช่ไหมครับ แล้วทีนี้พอไปเห็นว่าพอเริ่มจะเห็นว่าแบบมันไม่ค่อยมีตัวเราเงี้ยครับมันจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบอยากได้กับไม่อยากได้เงี้ยครับมันจะสลับสลับกัน <S <S ถ้าเกิดมันมีปัญญามันก็จะรู้สึกว่างๆเอ้ยมันไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าบางทีมันไม่ค่อยมีปัญญามันก็จะรู้สึกว่าอยากมีตัวเราเ <flush> ออมันอะไรอววร น, นะครับเหมือนบางคนอยากละ ก, กามนะอะไรอววรอย่างพงเชษะ หลวงเช่เคยอันก่อนที่มานะไปถามหลวงพุทธเทศไปกับหลวงพ่อแหละหลวงปู่ผมอยากละ ก, กามแต่จิตยังอะไรอวบอนอยู่หลวงปู่ร้องอา้าวร้องอย่างนี้เลยนะอา้าวแล้วมันจะละได้ยังไงของเราเหมือนกันนะเราอยากละเป็นความเป็นตัวเป็นตนแต่เราอะไรอวบอนรู้สึกไหมให้เราคอยรู้วมันทําไมอะไรอวบอนมันรู้สึกว่ากามนี้ยังเป็นของดีอยู่ รูปเสียงกลิ่นรสปทพะธรมารมทั้งหลายที่เพลิดเพลินพอใจยังมีอยู่นะที่น่าเพลิดเพลิลนพอใจยังมีอยู่แต่ถ้าสติปัญญามันแก่รอบขึ้นจริงๆมันจะเห็นเลยในโลกไม่เห็นมีอะไรเลยนะภาษาจีนบอกว่ามักขังๆังตาว่างเปล่า <laughs> ไม่เห็นมีอะไรฝนะึกไปนะฝึกไปมันเหมือนจะหลุดไปนอกโลกอะ่ะ กว่าจะไอแรงหนีสูญเยอะกว่าไอาแรงดึงดูดไม่ใช่ง่ายนะแต่พระพอเราเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของโลกมากเข้ามากเข้ารู้สึกไม่เห็นหน้าวิเศษวิโสตรงไหนเลยลาบยศสารเสริญสุขแย่งกันแทบเป็นแทบตายเหนื่อยแทบแย่นะได้มาแล้วต้องคอยรักษาไว้อเงี้ยเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งทั้งหมดไป คล้ายๆมาจากความว่างเปล่าแล้วก็กลับไปสู่ความว่างเปล่ามากับความไม่มีอะไรกลับไปสู่ความไม่มีอะไรอีกนมีติดตัวไปแค่บุญกับบาปเมื่อวานไปงานศพมีโยมไปเยอะเหมือนกันมีคุณตังตรินแล้วไปอาจารย์สุรวัตรหมอนัทอะไรพวกนี้ไปพวกภานาเก่งๆอีกประมาณหกสิบเจ็ดสิบคนครับนะแล้วมีกลุ่มหนึ่ง คนที่ไม่รู้เรื่องภาวนาเลยนั่งรวมกันโอ้ยธรรมะนี่นะพูดยากสุดๆเลยธรรมะมันกระโดดไปกระโดดมานะแว่ง <c oughs> <c oughs> พอเราพูดธรรมะที่ถึงอกถึงใจประณีตนะกลุ่มหนึ่งนะคือหาแหมะสะใจอีกกลุ่มหนึ่ง <c oughs> เราต้องเปลี่ยนธรรมะมาพอกลุ่มนี้ฟังรู้เรื่องนะอีกกลุ่มหนึ่งก็ <c oughs> <c oughs> แล้วมาเรียนรวมกันอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนนักเรียนหลายรุ่นอยู่ในชั้นเดียวกันต่อไปคงต้องแจกบัตรคิวนะวันจันทร์กลุ่มระดับนี้ธังคารระดับนี้นจะสอนง่ายกว่านี้นี่พวกเราฟังหลวงพ่อพูดบางคนจะรู้สึกแนละ้วมนกระโดดไปกระโดดมาหลวงพ่อยังรู้สึกเลยพวกเราเหมือนนักเรียนต่างชั้นกันมานั่งรวมกันงั้นต้องช่วยตัวเองนิดหน่อยคนไหนที่ตามชั้นเรียนเขาไม่ทันนะ ไปฟัง CD หลวงพ่อมี c d ดแจกให้ฟัง CD ไปอ่านหนังสือบ้างอ่านหนังสือเล่มง่ายๆเลยนะวิธีแห่งความรู้แจ้ง1เบอร์หนึ่งเรื่องที่1นึถ้าเข้าใจวิธีแห่งความรู้แจ้ง1เรื่องที่1นึ่งก็จะเข้าใจทั้งหมดละเพาจริงๆวิธีแห่งความรู้แจ้ง1นงึเรื่องแด่เธอผู้มาใหม่พวกเราหลายคนมาใหม่ๆเราไปอ่านดูนะ มันก็คือวิธีที่เราจ ะ, จะเจริญสติปัฏฐานด้วยการรู้กายเวทนาจิตธรรมแต่หลวงพ่อเขียนโดยไม่มีภาษาบาลีอยู่เลยฉะั้นเดี๋ยวใครไม่มีก็ไปรับแจกนะถ้าวันนี้ยังไม่มีแจกวันหลังก็มีอีกหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเล่มไหนมีไม่มีช่วยตัวเองนิดหน่อยนะไปอ่านแล้วก็อ่านเรื่องเดียวนั่นแหละเรื่องที่หนึ่งเลยแล้วก็ค่อยๆฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆ ซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนของคนอื่นนะ mm hmm. ไม่ใช่เหมือนตำราเรียนด้วยซีด mm ี hmm. ของหลวงพ่อวันไหนพวกเราภาวนาติดขัดนะไปเปิดฟังเถอะมีคำตอบทุกเรื่องเลย mm hmm. เจอแต่ถ้าภาวนายังไม่ถึงจุดนั้นนะถึงฟังก็เหมือนไม่ได้ยินอะ่ะมันไม่รู้เรื่องมันข้ามไปเลยรู้สึกไม่น่าสนใจงั้นค่อยๆนะค่อยๆนะ อ, อ, อ่านค่อยๆฟังไปถึงวันหนึ่งไม่นานเท่าไหร่ถ้าไม่ดื้อนักนะ ถ้าดื้อนักก็หลายปีเยคุณมนได้พูดเรื่องดื้อนะ้วคุณมนจะต้องออกรับทุกครั้งเลยนะ <c oughs> ถ้าไม่ดื้อนักนะฟังด้วยใจที่เปิดกว้างนะไม่นานก็เข้าใจพอเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วเนี่ยต่อไปธรรมะทั้งหมดจะง่ายละง่ายกระทั่งพระอริธรรมที่ว่ายากนะเพราะอะไรเพราะสภาวธรรมทั้งหลายที่เราภาวนาแล้วเราไปรู้ไปเห็นมันก็คืออริธรรมนั่นเอง อาพิธรรมนะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะธรรมล้วนๆงั้นเราคอยรู้นะคอยหัดรู้หัดดูไปฟังซีดีหลวงพ่อไปอ่านหนังสือไปบ้างแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองไปวันหนึ่งเราจะพูดธรรมะซึ่งคนที่เรียนมาแล้วเนี่ยสั่นเลยแต่เขาอาจจะไม่สั่นก็ได้พอเขาฟังแล้วเ้าแปลไม่ออกว่าภาษาที่เราใช้มันจะไม่เหมือนของเขา แต่ถ้าเราไปศึกษาปริยัตเพิ่มเติมปุ๊บเราจะสวมลงไปได้พอดีเลยเราจะรู้ว่าสภาวะแต่ละอันแต่ละอันเขาเรียกว่าอะไรอย่างสภาวะบางอย่างนะเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรตำราแท้ๆอย่างมันมีสภาวะอันหนึ่งเป็นสภาวะจิตของพระอรหันต์จิตพระอรหันต์เนี่ยนะมันว่างนะแล้วมันกว้างขวางไม่มีขอบมีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงเนี่ยอาจารย์มหาบัวก็พูดอย่างนี้กว้างขวา ง, วางไร้ขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวง พูดกว้างๆไม่รู้จะใช้สับอะไรงที่ไปยืมศัพ์มหคกะตะนะฟังแล้วใหญ่ดีนะความจริงมหคกตาเป็นเรื่องของจิตทรงฌานเท่านั้นใหญ่ระดับฌานนะนะถ้าศึกษาปริยัตมากขึ้นอ๋อเขามีชื่อเฉพาะเหมือนกันนะจิตพระรหันติว่ากว้างขวางเนี่ยชื่อวิมาริยาที่กัดเนี่ยวันนี้ฉันก็คล่องแล้วนะท่องตั้งหลายวันนะชื่อเรียกยากอะไรกัดกัดกรู้นนนะ <laughs> ในตำราก็มีเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่มีฉั้นเราภาวนานะเราจะได้รู้ได้เห็นของจริงด้วยตัวเราเองถึงเรียกชื่อไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันพ้นทุกต่อหน้าต่อฐานี้ได้ด้วยตัวเองพ้นทุกได้มันก็ดีแล้วเรียกชื่อไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะสอนคนอื่นต่อไปก็พยายามไปดูหน่อยว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษามันจะได้เป็นมาตรฐานกลางถ้าทุกสํานักก็ตั้งศัพท์ของตัวเองนะมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนทุกวันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องรู้สึกไหม แต่ละสำนักคุยกันไม่ได้เนียวตีกันแต่ถ้าภาวนาเข้าใจนะก็จะรู้เลยมันไปได้สำนักที่ไปไม่ได้จริงๆมีมีเหมือนกันแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นอกนั้นเบื้องตน้นไปได้ทั้งนั้นอย่างน้อยได้สมถะได้สมถะที่เป็นบาทเป็นฐานเอามาปรับมาต่อยอดนิดหน่อยขึ้นวิปัสสนาได้ไม่ใช่ว่าเลวร้ายซะทั้งหมด อ่ะคุณมนว่าไงถือไม้จนแมงวันตอมแล้วหลวงพ่อขาบนฟุ้งซ่านตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เลยค่ะคือคืออืบุญก็พยายามดูมันว่าบนญไปทําอะไรมันถึงฟุ้งซ่านเน่ยนะคะมันก็จะเห็นว่าถ้ามุญทาอะไรยุ่งยุ่งมากๆอย่างเงี้ยนะคะมันจะฟุ้งซ่านแล้วก็พอกลับมาดูมันนะคะมันก็ไม่ตั้งมั่นคือจริงๆก็ดื้ออีกอะค่ะคืออยากจะดูดูมันไปอย่างนี้ว่ามันจะเป็นสักแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะ ันก็ได้เห็นเห็นมันนะคะว่าสภาวะที่มนเคยเคยเคยมันห่างๆออกไปแล้วเนี่ยนะคะมันกลับเข้ามาติดแน่นอีกเลยค่ะหลวงพ่อมันเหมือนกับทำอะไรไม่เป็นเลยเหมือนจะต้องเริ่มต้นใหม่แต่ว่าแต่ว่าก็ยังยังรู้อยู่มากกว่าตอนเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะมันน่ากลัวเหมือนกันนะคะหลวงพ่อมันลืมมันยังไม่สมุดเฉด วันนี้ทำได้อีกวันหนึ่งเสื่อมไปแต่ว่าเราภาวนาเรื่อยๆนะถึงวันที่อริยามรรคเกิดแล้วตัวไหนที่ล้าแล้วล้าเลยไม่กลับมาหลอกได้อีกละอยา่างพระโสดาบันเนี่ยสักยัตทิ่ฐิจะขาดเลยไม่มีอีกละอย่างพวกเราจะรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งมีใครรู้สึกบ้างเรามีเราอยู่คนหนึ่งเราอย่างงนอนเราอย่างนี้ทั้งวันนะถ้ามโมโหขึ้นมาก็กูอย่างงั้นกลอย่างงี้ มันรู้สึกมีจริงๆแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันนะดูลงไปมันจะกลวงๆความเป็นเราไม่มีอีกละไม่ว่าทําอีท่าไหนจะโมโหโทโสแค่ไหนความเป็นเราก็ไม่มีเพราะฉั้นถ้าการละเนี่ยบางทีละด้วยการข่มไว้บ้างละด้วยการเห็นความเกิดดับของมันบ้างละด้วยทำที่ตรงข้ามกันบ้างยังไม่ใช่การละด้วยด้วยมร์ยังกลับมาได้อีก ไม่ต้องตกใจเป็นทุกคนอาจารย์มหาบัวเคยพูดไว้นะบอกว่าภาวนานะวันนี้เหมือนมรรคนิพพานมาอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วอีกวันนึงมันหายไปหมดแล้วภาวนาไม่เป็นรู้สึกไหมภาวนาไม่เป็นค่ะแล้วก็กลัวด้วยค่ะกังออวลเพื่อให้รู้ทันไปคือก่อนหกลัว น, นะค่ะก่อ น, นหน้านี้มันห่างแล้วค่ะหลวงพ่อมันรู้สึกสบายใจแล้ว ก, แวก็แล้วก็เห็นทีๆบ่อยๆรู้สึกดีจังเลยมีความสุขอะคะ่ะ พอไปไอยู่ๆแบบมันล้มละเนระนาดไปหมดเลยมันก็กลัวนะคะแต่แบบก็พยายามจะตั้งใจดูมันแรกเลยรักษาศีลไว้ให้ดีอย่าให้ตัวเองนึกตําหนิตัวเองได้อย่าให้บางคนหน้าด้านนะตัวเองไม่ตําหนิตัวเองก็ต้องบอกว่าอย่าให้บัณฑิตตําหนิได้ด้วยแล้วก็ฝึกใจของเราไปนะหาเครื่องอยู่มาอันนึง เช่นอยู่กับพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้ที่เราถนัดนะ mm hmm. พออยู่กับเครื่องอยู่ น, นั้นแล้วสักพักหนึ่งจิตใจสงบจิตใจสบายมีสติไปรู้ว่าสงบหรือว่าสบายนี่ก็กลับขึ้นมาแล้วลองมนลองแล้วนะคะแบบพอมนนสงบสติแป๊บหนึ่งคือไม่ถึงกันนั่งสมาธิพอปิดตาแป๊บหนึ่งก็สงบเพราะลืมตาออกมามันจะตั้งมั่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันไปอีกะะอ่ะใช่แล้วก็ไอยรู้เา่ามันจะถี่มากะคะ่ะสวิงทั้งวันเลยเดี๋ยวมันรู้ดี เ, เดี๋ยว ห, ห, หายไปให้ให้มองภาพรวมมัน เวลาเจอสภาวะที่จิตฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยอย่าดูทีละอันให้ดูภาพรวมของมันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่ดูภาพแมกโครเลยถ้าลงไปดูทีละอันจะเห็นเกิดดับถี่ยิบไปหมดแล้วงงดูมงไม่ทัดแล้วมันท้อด้วยค่ะออมันกลัวด้วยงั้นดูภาพรวมเลยโอ้จิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะสายไปร้อยครั้งนะั้นมันก็คืออยู่ในคําว่าจิตฟุ้งซ่านอันเดียวนี่เองแต่มันดื้อด้วยไงฮะหลวงพ่อแทนที่มันจะนั่งเฉย ปกติถ้านั่งเฉยๆเดียมันก็จะสงบลงแล้วก็จะเห็นง่ายแต่มันไปทำนู่นทํานี่ให้มันยุ่งๆแล้วมันก็ยิ่งฟุ้งมากขึ้นสืน้ำหน้าคืออยากลองทีหลังจะได้ไม่ทำอีกอะค่ะหลวงพ่อได้ได้อยากรู้ว่าทำขนาดนี้เพราะว่าเมื่อวานก็ทำแล้ววันนี้ลองทำดูอีกมันมันลงเหมือนกันเลยอะค่ะหลวงพ่อแต่แต่วันนี้มันชักจะแบบเหมือนกับไม่มีแรงไม่ เหมือนกับไม่มีแรงจะสู้แต่ว่ากายมีแรงใจมีแรงไม่เหมือนเมืก่อนที่มันกายก็ไม่มีแรงใจก็ไม่มีแรงนะคะแต่ว่ามันยังมีแรงแต่ว่ามันเหมือนกับอีกส่วนมันกลัวมันจะหายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวก็ต้องหายไปแหล <c oughs> ะ, ะเอาอย่างชมพูดิชมพูนะมีอยู่คราวหนึ่งภาวนาดีรู้ตื่นได้เยอะเลยแล้วแต่มามันเสื่อมพอเสื่อมนะตกใจตกใจก็ดิ้นรนว่าทํำยังไงจะดีเหมือนเดิม ดิ้อยู่2เดือนนะมันก็เสื่อมหนักลงไปเรื่อยๆวันนึงหมดแรงดิ้นโอ้ทาอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ละไม่ทำมันละไม่ทำนะวันนี้ก็ดีดขึ้นมาเลยดีขึ้นมาอีกแล้วต่อไปก็เห็นอีกเดี๋ยวจเจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวจเจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเห็นอย่างนี้ต่อมาปัญญาก็เกิดคือเกิดความเข้าใจทุกอย่างนี้เราบังคับไม่ได้พอเห็นว่าทุกอย่างบังคับไม่ได้ใจวางลงไป ใจวางลงไปก็มาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เฉยๆด้วยความเป็นกลางอยู่นี่การเดินของจิตมันเดินอย่างนี้แหละแล้วใจถึงถึงง่ายสุดๆก็ดูเหมือนเหมือนเดิมอะบังคับ <c oughs> นะ <c oughs> แต่มันก็จะมีคลายแล้วก็กลับมาบังคับแล้วก็มีคลายมันก็จะการที่เห็นนะเดี๋ยวคลายเดี๋ยวบังคับดีเห็นกว่าไม่เที่ยงเห็นไหมมันจะคลาย มันก็ใครเองมันจะบังคับมันก็บังคับของมันเองเนี่ยมันทําได้เองมันไม่ใช่ตัวเราถ้ามองเป็น น, นะนะสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยแสดงไตรลักษ์อยู่ตลอดเวลาแล้วสภาวะธรรมแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ไมสแสดงก็เห็นแค่นี้ครับเห็นแค่นั้นพอแล้วอย่าอะไรอย่าโลภมากนะภาวนาอย่าโลภมากนะแค่รู้สภาวะลงปัจจุบันไป เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสือ่อมเอาคู่เดียวแหละไม่ต้องรู้เยอะรู้มากยากนานหลวงพ่อคะออโยมเห็นมีความรู้สึกว่าสิ่งที่โยมไปเห็นบางทีมันอยู่ไกลๆแล้วก็มันเกิดขึ้นได้เองบางครั้งแต่ว่าโยมไม่แน่ใจว่าโยมคิดไปเองอย่างนี้หรือเปล่าให้รู้ว่าไม่แน่ใจรู้ลงปัจจุบันแล้วทุกอย่างจบเลยอย่าค้นคว้าต่อ กิเลสทั้งหมดนะจะหลอกให้เราดิ้นรนคนก้าไปเรื่อยๆอย่าไปเชื่อมันใจถึงๆนะแล้วก็โง่ก็ได้จําไว้นะไม่รู้ก็ได้ไม่ต้องรู้ก็ได้บางทีมันกัเข้าใจว่าแค่รู้เดี๋ยวหลวงพ่อแก้ก่อนบางคนนึกว่าไม่ต้องรู้คือไม่มีสติไม่ใช่นะไม่ต้องรู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวพูดย่อๆคนนีนะ้คนนี้รู้เรื่องคนอื่นเป๊ไปหมดเลยเริ่มเป๋เปไปหลายคนลนะ มันก็ว่าแค่รู้อยู่เฉยๆแล้วมันก็จะไปบังคับไปปล่อยไปอยากไปอะไรเงี้ยมันก็มันก็ทำของมันไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งเฮ้ยทาอะไรไม่ได้สักอย่างนะมันแจ้งขึ้นมาตรงนี้พอมันรู้ว่าทําอะไรไม่ได้สักอย่างมันจะวางแล้วมันจะเห็นมันทํางานไปนะใจมันอยู่ต่างหากแล้วสบายที่โยมหัดรู้แบบนี้นี่คือถูกถูกต้องบ้างแล้วใช่ไหมคะขนาดนี้ไม่ถูกนะขนาดจิตนี้ไม่ถูกดูออกไหม มันสั่นๆอ่ามันมันตื่นเต้นแล้วก็ไปข่มมันไว้ตื่นเต้นให้รู้ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นได้ะสมมติว่าจะตื่นเต้นมือถือไมค์สั่นก็ไม่ว่าอะไระไม่ต้องไปข่มมันตื่นเต้นก็รู้มันไปเผลอแลเห็นไหมเผลอแลตรงเผลอแล้วก็ต้องพูดอีกละบางคนก็นึกว่าห้ามเผลอภาษามนุษย์นี่นะพอถ่ายทอดธรรมมาแล้วนะมีปัญหามากเลย หลวงพ่อต้องการบอกแค่ว่าเวลาส่งไม่ไปเผลอนะให้รู้ว่าเผลอไม่ใช่ห้ามเผลอนะห้ามเผลอก็ห้ามไม่ได้ใจมันจะเผลออคุณกบค่ะก็ตอนนี้ทํําทาไปเรื่อยๆค่ะแต่ที่เห็นก็คือรู้สึกว่าตัวเองเห็นโทสะตัวเองแรงมากแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไม่รู้ไปโกรธ อ, อะไรกันมากมายอะค่ะมันสอนธรรมะเรานะว่ามันไม่ใช่เราหรอก โดยเหตุผลไม่น่าจะโกรธเลยมันก็จะโกรธได้สั่งมันไม่ได้ถ้าดูเป็นเนี่ยสภาวธรรมทั้งหลายแสดงไตรลักษ์ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้ไตรลักษ์ไม่ไดเอาไว้คิดนะหลายคนนึกว่าไตรลักษ์ต้องคิดเอาไตรลักษ์อะถ้าเรารู้สภาวธรรมรู้กายรู้ใจจริงๆแล้วกายกระใจจะแสดงไตรลักษ์ต้องแสดงอสองสามวันก่อนไม่ไแน่ใจว่าโดนหลอกหรือเปล่านะฮะ คือผมนั่งสมาธิแล้วก็นั่งดูเวทนาแล้วก็นั่งดูสังขารที่มันขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะนั่งได้สักพักแล้วก็ออกพอออกแล้วก็มานั่งที่โต๊ะแล้วก็พิจารณาว่าเวทนากับสังขานี่มันมันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดเหมือนโลกสันสันเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบมีอะไรถอนไปแล้วก็ แล้วก็จากนั้นมาก็เห็นเวทนาเห็นอารมณ์เหมือนแยกกันไปดูง่ายขึ้นลมหายใจก็แบบลมหายใจก็แยกออกไปง่ายขึ้นก็เลยแบบรู้สึกอ๋อนี่มันคือสัมมาสมาธิใจมันถอยออกมาคือใจมันจะ<ใ>จตั้งมันม่นมันตั้งมั่นนะมันถอยออกมาเป็นคนดู<ะ>แต่ตัวนี้เยอะไปนะตั้งแรงไปตั้งแรงไปนะ นก็ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติดูอกไหมตอนนี้มันนิ่งนิ่งมันนิ่งเกินไปเออนั่นแหละดูเป็ดแล้วก็ก็ทีแรกก็นึกว่าไรยยานแล้วแต่ว่าพอมาคือแต่ก่อนนี้มันจะอุดอัดหน้าอกใช่ไหมฮะพอหลังจากแบบมันถอนไปเนี่ยสติมันก็ สบายไม่ต้องไม่ต้องพยายามตั้งลมหายใจก็สบายแล้วแบบเวทนาก็เห็นเหมือนแบบว่ามันมาเกาะจริงๆเลยเ อ, อ่มันถ่านมาเกาะชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปมันคนละตัวกับขาออคนละตัวกันครับนะแล้วอีกฉาญก็หายไปแต่ว่าแต่ว่าสักสามสี่วันเนี่ยมันก็กลับมาเหมือนเดิมคือเราภาวนานะีบางครั้งมันก็แยกออกจากกันบางครั้งก็กลับไปรวมกันได้อีก ฝึกไปเรื่อยๆแต่ถ้าทรงภูมิผ่านาคาแล้วไม่เข้าไปรวมกันละ้วจะอัตโนมัติเลยแต่ในภูมิของเราขนาดนี้ยเดี๋ยวก็รวมเดี๋ยวก็แยกไม่ต้องตกใจน ะ, <ฮ>ะแล้วมันก็สอนธรรมะเราว่าบังคับไม่ได้เหมือนกัน <ฮะ S 1> แล้วก็ตอนที่มันแยกออกมาอย่าจงใจแยกตอนที่แยกออกมาแล้วมันตั้งมั่นอยู่เนี่ยอย่าไปประคองให้มันตั้งมั่นอยู่ <ฮะ S 1> ไม่รักษาอย่ารักษานะยังรักษาอยู่ตอนนี้ย อย่าไปรักษามันคนอื่นไม่เกี่ยวนะนี่ธรรมะเฉพาะตัวนะต้องคอยบอกเป็นระยะต้องขึ้นป้ายคําเตือนแบบเด็กอายุต่ํากว่านี้ห้ามดูอะไรเงี้ยอันนี้ก็บอกว่านี่ธรรมะเฉพาะตัวคนอื่นไม่เกี่ยวเดี๋ยวจะไปตั้งอะไรกันวุ่นวายขึ้นมาเสียหายหมดเลยก็เลยคิดว่าเวลาอารมณ์อะไรพวกนี้ขึ้นมาก็เหมือนบอกว่าอารมณ์มันก็คือแบบว่ามันก็มาหลอกเราอะไรเงี้ยใช่ เห็นแล้วนะเราเห็นแล้วใช่ไหมกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาเรียกว่าเวทนานะไม่ใช่เวทนาเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมตัวที่รู้มันก็ตั้งมั่นอยู่ต่างหากอะไรๆก็เหมือนกับเข้ามาไม่ถึงตัวรู้นี้แต่ตัวรู้เนี้ยนะอย่าไปประคองไว้ถ้าประคองไว้เรารักษามากเกินไปนะจะแข็งแข็งแข็งแข็งกลายเป็นว่าปพยายามรักษาตัวผู้รู้ไว้ แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของตัวผู้รู้เท่านั้นมันแยกออกมาก็รู้ว่าแยกออกมาแต่อย่าไปจ้องใส่ตัวผู้รู้แล้วอย่าไปประคองตัวผู้รู้ไว้นี่นี่คือผลจากสมถะใช่ไหมครัผลจากสมถะ<อ>การที่เราคิดพิจารณาไปนะว่ากายอย่างนั้นเวทนาอย่างนี้การที่เราคิดพิจารณานี่คือสมถะกรรมฐานพอได้สมถะถูกส่วนแล้วเนี่ยใจก็ตั้งมั่นขึ้นมา<อ>เกิดเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแต่ตัวผู้รู้ผู้ดูเนี่ยอย่าไปตรึงไว้อย่าไปรักษาไว้ ตอนนี้ไปรักษาตัวผู้รู้ไว้แล้วอย่างงี้ต้องทํำยังไงอนนี้ทําไม่ได้ทําไม่ได้เออดูไปเดี๋ยวมันก็รวมเดี๋ยวมันก็แยกอย่าไปประคองไว้ไม่ต้องคาดหวังอยไม่คาดหวังนะคาดหวังไม่ได้คาดหวังยิ่งล้มเหลวเลยอ๋ออ่ะไปอ๋อละมาทางนี้บ้างตายวันนี้ยังไม่ได้แถวนึงเลยอเมน พระอาจารยวันนี้จริงๆดูเหมือนตีแต่จริงๆจิตมันเครียดมาก่อนแล้วไงคะอะไรนะจิตมันมันทําอะไรนะจิตมันเครียดมาก่อนแล้วไงคะแล้วมันเพิ่งโล่งลงดีแล้วดีแล้วแล้วมันก็เหมือนใช่แดงจริงๆมันก็ไม่ใช่เออไม่ต้องกลัวว่ามไม่ใช่นะมันไม่ใช่หรอก ห, <า>หนูพูดเรื่องจริงค่ะไม่ได้พูดตลกเรื่องจริงอะสิหนูบอกคนก็พูดเรื่องจริง หนูบอกคนข้างหลังนี่ไงคนที่เข้าไม่ถึงธรรมะนะฟังธรรมะแล้วบางทีเป็นเรื่องตลก อ, อย่างหลวงพ่อพูดนะซื่ อ, อเลยนะบางคนฟังแล้วขำใช่ไหมยังบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อยู่ที่หัวเราะเนี่ยเราพูดของแท้ๆเลยนะเนี่ยค่ะไม่ใช่ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ทั้งนั้นแหล ะ, อะไอ้ที่ใช่ไม่มีค่ะมันใช่โดยสมมุติตรงเนี้ยมันไม่ใช่วิมุติ ภาวนาก็อย่างบางทีก็จะเห็นว่าจิตนี่มันมันคิดไปเองอย่างนี้นะหลวงพ่อแล้วก็บางทีว่าเหมือนว่าเราก็บังคับมันไม่ได้ก็เลยชั่งมั น, ออมนก็งงดูไปดีละทีู่้ว่าทำอยู่ดีแล้วนะใช้ได้เก่งยิ้ม <laughs> อุตสาห์นั่งคิดเดี๋ยวจะพูดเรื่องอะไร <laughs> เอาภาพไป ก็ช่วงช่วงเช้ารู้สึกว่ามันไวกว่านี้นะครับเพราะรอบเช้าครับอ่าตอนนี้มันเข้าใกล้ไม่ไปตรึงไว้รอบนี้ช่วงนี้มันรู้สึกว่ามันยาวครับคิดมันยาวๆไม่ค่อยรู้นั่เต้องกินข้าวใหม่ๆอ่าอย่าเกี่ยงกันไม่รับแล้วส่งเลยคือ คือรู้สึกว่าช่วงนี้คือรู้รู้ได้ทุกวันนะคะบางวันก็รู้ดีรู้ได้เยอะบางวันก็ก็ไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละนะบางวันก็สติเกิดบ่อยบางวันก็ไม่ยอมเกิดเราสั่งมันไม่ได้เห็นไหมสติเกิดบ่อยหรือสติไม่เกิดบ่อยนะก็สอนไตรลักษ์อีกแล้วไหมบังคับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วไตรลักษ์แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เห็นเฉนะพาะมันมีอยู่ครั้งนึ่น ะ, ค, ะคือ คือมันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราเราจะไม่เราคือเรื่องเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกแต่นนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็เลยไม่รู้สึกก็ก็เข้าใจว่าอ๋อถ้าไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแบบนี้ <c oughs> ใช่ค่ะนั่นเป็นตัวอย่างค่ะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเจอว่าแบบมันมันมีเราเรารู้สึกว่าเราเจอเหตุการณ์หนึ่งแล้วเราก็เราไม่ชอบใจพอเห็นความไม่ชอบใจนั้นแล้วเนี่ย สักพักหนึ่งมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราเห็นนอะนั้นแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปเ อ, อคลุกอะค่ะดีดีนั่นแหละภาวนาต้องภาวนาเองแล้เราเป็นผู้ดูอยู่ห่างๆไม่เข้าไปคลุกกับมันค่ะไม่มีส่วนได้เสียแค่ดูเฉยเฉยรู้อยู่ห่างๆสบายสบายอันนี้รู้ถูกรึเปล่ารู้ถูกแล ะ, ะดีนะเนี่ยทนทนนะฟังหลวงพ่อพูดนะฟังแล้วเหมือนไม่รู้เรื่องเลยแต่ทนทนไปแล้ววันหนึ่งจิตมันจะเดินของมันเอง หลวงพ่อก็พูดส่งเดชไปก็หละจริงๆแล้วธรรมะมันถ่ายทอดกันด้วยใจเอาใจมาเรียนน้ำํำที่เอาหูมาเรียนเอาสมองมาเรียนเรียนด้วยใจที่เปิดกว้างรู้ไปอย่างซื่อนะเรียนด้วยความซื่อตรงไม่ใช่ต้องประดิษฐ์คิดคน้นคําตอบอะไรมาสร้างสารรค์หลอกลวงหลวงพ่อไม่ได้กินหรอกนะคือคือถ้าอย่างนี้คือคือหนูรู้สึกว่าหนูทำํำมันทําเล่นๆไม่ <ทำ S 1> ตั้งัจนะ แต่อย่าขี้เกียจนะดออูบ่อยๆดีละเนี่ยพอมาถึงวันนี้นะัคนภาวนาเป็นนี่มีเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆดีน้องพ่อคะน้องเขามาตั้งแต่ตอนช่วงปิดเทอมแล้วก็จะเปิดเทอมแล้ววันนี้เขาตั้งใจมาวันสุดท้ายแล้วเขาก็คือหมายถึงว่าหลังจากนี้เขาอาจจะห่างวัดไปแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเริ่มเข้าใจอะคะ่ะเขาไม่กล้าถามไม่ต้องถามก็ได้เนาะเอะพอพเขาพอทาเป็นแล้วใช่ไหมคะ โมโหบ่อยไหมวันหนึ่ง <c oughs> บ่อยในลองเล่าอเดี๋ยวหลวงพ่อถามแล้วค่อยตอบหลวงพ่อโ <c oughs> มอโหบ่อยไหมบ่อยค่ะหรอโลภ บ, บ่อยไหมโลภอย า, ยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยบางวันก็บ่อยบางวันก็ไม่บ่อยออเห็นไหมตอบเป็นธรรมะอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันไม่เที่ยงเใช่ไหมมันไม่เท่ากันแต่ละวัน <c oughs> ใจรอยบ่อยไหมบ่อยค่ะหรอ นาทีหนึ่งกี่ครั้งได้ไม่รู้ค่ะ <laughs> ไปคอยดูนะไปดูสักห้านาทีวันหนึ่งฝึกห้านาทีพอนะดูซิห้านาทีนี้เราใจลอยกี่ครั้งไปฝึกซ้อมนะวันเดียวห้านาทีนะแล้วลองดูเรื่อยๆไม่ใช่ห้ามใจลอยนะพอทำไหวไหมอย่างที่หลวงพ่อบอกรู้จักใจลอยแล้วใช่ไหมรู้ค่ะหากระดาษมาใบหนึ่ง พอใจลอยทีหนึ่งขีดหนึ่งติ๊กไหมอนะลองดูซิห้านาทีใจลอยอีกครั้งแล้วอีกวันหนึ่งมาติ๊กใหม่นะลองดูน ะ, ะเนี่ยหลวงพ่อไม่เรียกร้องเยอะนะเรียกร้องห้านาทีเท่านั้นคล้ายๆมันนะมันห้านาทีมีอยู่มันชนิดหนึ่งกาบนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งจะมารู้เพิ่มขึ้นตอนหลังนิดหนึ่งว่าตอนที่เรารู้สึกมัวมัวนะครับ แล้วมันเป็นความทุกข์อย่างหนึง่งแล้วเราจะใจเราจะดิด้นรนตั้งป้อมนิดหนึ่งเพื่อที่เหมือนกับเราอยากแก้ไขาาแต่พอเข้าใจว่ามันเป็นความทุกข์เช่นิดหนึง่งคราวนี้เราก็ทําตามสูตรเลยก็คือทุกข<ป>์ก็ไม่ต้องแก้มันก็นั่งดูไปอเ อ, อครับดีล้ก็เลยได้ชอบว่าเอออยากให้มันมัวมาอีกสักทีงเราจะได้ศึกษาอ้าวโลภสิทธิ <laughs> <laughs> <c oughs> ดีภาวานาดีขึ้นแล้ว <c oughs> นะแต่เดิมนะเราไปปรุงแต่งไว้อันหนึ่ง <c oughs> ตลอดเวลาเลย <c oughs> นะนึกออกแล้วใช่ไหมแล้ว <c oughs> ไม่จะเปนิ่งอยู่งั้น <c oughs> ละคร้างไว้นิดหนึ่งนะแล้วก็ยิ้มไปเรื่อยๆแท้ข้างในเนี่นิ่งๆไว้ขมไว้ <c oughs> ปล่อยซะแล้วก็รู้ไปดี <c oughs> ขอบคุณครับจิตใจพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งดีแล้วสาธุไม่เอาส่งไปคุณสุนันว่าไง ทีแรกมาทางนี้ก็คิดว่าวันนี้ตัวเองจะเก่งอะคะ่ะแต่พ อ, อนะทีแรกมาทางนี้ก็คิดว่าตัวเองจะเก่งจะไม่ตื่นเต้นแต่พอย้อนไปนู่นมานี่เริ่มอีกะะแล้วค่ะเหรอเอางั้นส่งไปข้างหลังก่อนเดี๋ยวจะได้หายเอา <c oughs> ดาวฟุ้งอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไม่ตั้งมัน่นไม่มีแรงอืมถูกต้องแล้ว <c oughs> แล้วทําไงดี ก็ดูตัวที่ฟุ้งเนี่ยค่ะดูใจมันไปนะถ้ามันฟุ้งแล้วเราไม่ชอบนะรั้วไม่ชอบนะรู้ลงไปให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจเราอีกคือการภาวนาเนี่ยต้องภาวนาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองนะเพราะจิตของเราเนี่ยเป็นใหญ่กว่าธรรมทั้งปวงนะจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าธรรมทั้งหลายจิตใจมันถึงก่อนนะจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ทั้งมรรคผลนิพพานะอยู่ที่ใจเราเนี่ง นันเราภาวนาเราเข้ามาเรียนรู้ให้ถึงใจเราให้ได้เลยะเช่นะจใจมันฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านเรารู้เลยใจเราไม่ชอบเนี่ยเรียนให้ถึงใจน ะ, ะคุณแตม่มก็พยายามพูดโทยู่เรื่อยๆค่ะหลวงพ่อดีนะจิตมีแรงและจิตมีกําลังกว่าแต่ก่อรู้สึกไหมรู้สึกตั้งมั่นขึ้นค่ะนั่นแหละจิตมันมีกําลังละตั้งมัน่นนะอะคุณสุ น, นันนามาให้ได้พ้นทุกข์พ้นร้อนไป ยิ่งรู้สึกยิ่งถ่วงเวลาและยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆก็นึกว่าเอจะแอบขโมยวิธีไปใช้บ้างค่ะพอจะได้ไหมคะพอลูก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นนะอยากตั้งมั่นรู้ว่าอยากตั้งมั่นแต่บางทีก็เหมือนกับว่าเห็นสภาวะบางทีที่ว่าเอเกิดอะไรขึ้นที่ในทางอกุศลแล้วเกิดจะมานั่งคิดว่าเป็นเพราะเราไม่อยากแต่ มันก็จะคลิกว่าจริงเรากลัวไม่ใช่ว่าไม่อยากอะไรเนี่ยเราสํารวจใจของเรานะว่าอะไรผลักดันให้จิตใจดิ้นรนปรุงแต่งมันจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวผลักดันอยู่ในปรากฏการณ์แต่ละปรากฏการณ์เนี่ยมันจะมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นร่วมกันเนี่ยเป็นจํานวนมากนะเวลาดูนะเราดูตัวที่มีกําลังกล้าที่มีบทบาทหลักในการบ่งการพฤติกรรมของใจเรา ตัวที่มีบทบาทหลักเนี่ยอภิธรรมเขาเรียกอธิปฏีปัจจัยเป็นอธิปฏีตัวที่มันเป็นตัวมีอิทธิพลหลักเนี่ยงั้นอย่างใจเรากลัวเรารู้ว่ากลัวถ้ารู้ถูกต้องนะความกลัวสลายปุ๊บอันนี้สภาวะนี้จะสลายเลยถ้าไปดูตัวผิดไปดูตัวรองรองนะตัวนั้นหายไปตัวหลักยังอยู่อันนั้นก็สภาวะอนั้นก็ยังอยู่มาดูให้ถูกตัวมันเหมือนกับเรียนหนังสือแบบ ที่แพลกๆไม่เป็นนะคะยังเขา้าใจว่าเออที่เกิดจิตหนักๆหรืออะไรเป็นเพราะว่าไม่ชอบไม่อยากแค่นั้นนะคะใช่ดูไปนะสุดท้ายเลยมันคือความรักตัวเองนะลึกลงไปถึงสุดขีดนะคือความรักตัวเอง<ะ>อ่ะใครจะคุยยกมือเชิญ <c oughs> กาบนรมาส ก, การหลวงพ่อค่ะวันนี้มากัน5คนนะคะจะมาขออนุญาต หลวงพ่อปฏิบัติธรรมอะค่ะืมปฏิบัติไม่ต้องขออนุญาตใครนะมีสติรู้กายรู้ใจไปเลยนะแบบอยา่อยาจะขออนุญาตมาปฏิบัติที่นี่อะคะ่ะอ๋อก็ขนาดเนี้ยภาวนาไปเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับให้เข้าพักนะยังไม่ได้ให้เข้าพักหลวงพ่อจะให้คนที่เข้าพักเนี่ยต้องมีเงื่อนไขนะจิตต้องตื่นก่อนต้องภาวนาเป็นก่อน หลายคนนึกว่ามาอยู่ที่นี่แล้วหลวงพ่อจะดูให้ทั้งวันหลายคนคิดอย่างนั้นนะโอถ้าหลวงพ่อดูให้ทั้งวันนะไม่ลูกศิษย์บ้าอาจารย์ก็บ้าอีกข้างหนึ่งอะ่นะแต่าสงสัยลูกศิษย์จะบ้า ก, ก่อนนะหลายคนนึกนะว่าหลวงพ่อจะมาจ้ำจี้จ้ำชัยตลอดเวลาไม่ใช่หลวงพ่อปล่อยให้ทําเองนานๆมาส่งกันบ้านสักทีหนึ่งข้อภาวนาเนี่ยเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่เวลานั่งฟัง ไม่ใช่นั่งขังใช้การสังเกตตัวเองงั้นเลยต้องมีเงื่อนไขคนที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยต้องพาวนาเป็นละจิตตื่นละดูตัวเองเป็นช่วยตัวเองได้ถ้าจิตยังไม่ตื่นมาอยู่วัดเฉยๆไม่มีอะไรทํานะจะเพ่งลูกเดียวเดี๋ยวก็ไปเพ่งติดเพ่งเล้วมันมาตามแก้ทีหลังใจลอยไปแล้วทราบไหมเอออย่าง <Okay. S 1> ดีดีลอยอีกแล้วทราบไหมใช้ได้ใช้ได้ ยไปอีกแล้วทราบไหมไเออต้องอย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยคอยรู้อย่างนี้บ่อยๆนะเนี่ยเผลอไปแล้วรู้สึกไหม <c oughs> เผลอไปเออรู้สึกอย่างเนี้ยนะคอยรู้สึกไปเนี่ยบังคับตัวเองแล้วทราบไหมข่มตัวเองไว้แล้วนะไม่ข่มนะมครับนะ้องมะการจัดขอถามกับการปฏิบัตินิ น, นึงนะคาว่า การที่การปฏิบัติคือการต้องนั่งสมาธิหรือว่าหรือว่าการที่เรานั่งเฉยๆแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะหรือว่าต้องการปฏิบัติเนี้ยนะคือการรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งการยืนการเดินการนอนหรอกต้องรู้ในทุกๆอิริยาบถสังเกตดูว่าตัวเองถ้านั่งสมาธิอะค่ะจิตใจจะไม่ค่อยมันจะค่อยเวลาบรรลุดไปแล้วเราคิดเรื่องอื่นแล้วมันรู้ไม่ทันเงี้ยค่ะเกิดจากเราตามไม่ทันต้องรู้ไม่ทัน ถ้ารู้ทันมันไม่หลุดไปสิที่มันหลุดไปได้เพราะรู้ไม่ทันเกิดจากเราสติไม่ทันปะคะไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องหลงไปคิดแต่พอมันหลงไปคิดแล้วนะให้เราตามรู้ไปหมายถึงรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปแล้วไม่ใช่ห้ามหลงนะไม่ใช่ห้ามหลงเนี่ยหลงไปละอีกแว บ, บหนึ่งละรู้สึกไหม <c oughs> คอยรู้อยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเงี้ยเี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหม เวลาที่จิตมันหลงไปนะเราลืมถึงความมีอยู่ของกายลืมความมีอยู่ของจิตใจกายมีอยู่ก็เหมือนไม่มีจิตใจมีเหมือนไม่มีคุณแต้มภาวนาดีมากเลยนะคุณแต้มแต้มไม่เคยมาได้ขนาดนี้เลยนะเนียบเลยละ่ะดีภาวนาเป็นแล้วคุณแต้มอะส่งเป็น อ, อ้นใครจะเอาเชิญหลวงพ่อครับขอถามต่อที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าเนะฮะ ระหว่างช่วงรู้สึกตัวแล้วถึงช่วงละสักยะทิฐิเนี่ยมันมีแบง่งซอยอะไรไหมครับอะไรนะมีแบง่งซอยย่อยอะไรอีกไห ม, ม, มครับไม่มีมีแต่ว่ารู้สึกไปลงปัจจุบันไปทีละขณะทีละขณะเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็เผลอบังคับมันไม่ได้หรอกนะจริงๆแล้วทั้งกายทั้งใจนะถ้าเราเรารู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆเนะี่ยเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราบังคับมันไม่ได้ ไม่มีขั้นที่สองนะมีแต่รู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองวิธีปฏิบัติก็คือช่วงรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าจิตใจเราฟุงา้งซ่านเราก็ทำความสงบเข้ามาทำสมถธถ้าทำได้นะถ้าทำไม่ได้เลยทำสมาธไม่เป็นนะก็ไหว้พระสวดมนต์ไนวะ้นั่งไหว้พระไปนะมองหน้าพระพระแต่ละองค์จะหน้ายิ้มๆอะไรเงี้ยนะดูแล้วจิตใจเรามีความสุข หรือนั่งคิดถึงพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยคิดถึงแล้วจิตใจเรามีความสุขขึ้นมาพอจิตใจเรามีความสุขเนี่ยมันได้พักผ่อนแล้วเราก็ดูมาตามดูต่อเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยนะให้เจริญสติในชีวิตประจําวันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ถ้าไม่มีแรงที่จะเจริญสติในชีวิตประจําวันแล้วก็ทําความสงบเข้ามาพักผ่อนเลิกติดตามความเกิดดับแล้วไม่ต้องไปดูแล้วเกิดดับเพราะดูไม่รู้เรื่อง มาทําใจให้สบายก่อนให้จิตใจสบายจิตใจสงบนะพักผ่อนพอจิตใจสงบแล้วมีสติรู้ว่าจิตสงบเนี่ยเริ่มมาดูต่อได้ละผมฝึกมาประมาณปีกว่าวอะไรนะฝึกมาประมาณปีกว่าแล้วนะฮะไม่ทราพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับดีสิใช้ได้ละวนะคุณ <นะ S 2> ปีกว่าปีนี้ไม่เหมือนปีกลายแล้วรู้สึกไหม เราต้องมาถามหลวงพ่อทำไ ม, มเราก็รู้สึกของเราเองมันรู้สึกตัวเหมือนไม่พัฒนาเลยครับเราอย่าอยากมันไม่ได้พัฒนาได้เท่าที่ใจเราอยากนะหักละ่ะแต่ถามว่าเรามีพัฒนาการไม่มีใช่ไหมอยากแต่ก่อนกิเลสเกิดเราไม่เคยเห็นนะหรือเราปฏิบัติเราก็เพ่งลูกเดียวใช่ไหมไปกดข่มตัวเองแข็งแข็งไม่เฉยๆยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวกิเลสมาเราก็รู้อะไรมาเราก็รู้ หลงก็สั้นลงรู้สึกไหมใจก็โปร่งโปรงเบาเบมากขึ้นรู้สึกไหมรู้ทั้งนั้นเลยนินเราวัดตัวเองได้นะวัดตัวเองขออนุญาตรายงานครับพวกที่ยกมือไว้หน้าเสียใจด้วยนะพวกที่เขาเข้าแถวเนี่ยเขารักษาสิทธิเขาอย่างเข้มงวดเขาไม่ยอมปล่อยอาว่าไงก็มากราบหลวงพ่อเมื่อเสียงคนเนี่ยจะต้องถามอะไรไม่มีอะไรต้องถามแล้ว ก็คล้ายๆว่าเมื่อสาอาทิตย์ก่อนรู้ตัวได้ได้ค่อนข้างจะถี่ประมาณสักครึ่งนาทีก็จะรู้แต่พอมาปัจจุบันใช้วิธีเดิมก็คือใช้ใจอใช้ใช้วิหารธรรมเป็นตึงเต้นแล้วครับก็คือใช้ลมหายใจใช้การเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมคือวิธีเดิมเหมือนกันแต่ว่าสติมันไม่เกิดแบบนั้นก็คือสามสนาทีถึงจะเกิดสติทิ้งครับ ก็เหมือนรู้สึกว่าตัวเองตกลงไปอย่างเงี้ยครับฮะตกเหอรอพัฒนาขึ้นนะสิแต่ก่อนเนี่ยไปนั่งเฝ้าไว้้อเลยรู้สึกบ่อยอตอนเนี้ยมันรู้สึกเองอมนะขณะเนี้ยใจไม่เหมือนเมื่อก่อนดูออกไหม ใ, <ช>ใจสบายบ ใ, ใจเบาบใจโปร่งใจโล่งใจสว่างรู้สึกไหมใจก็สงบด้วยสว่างด้วยเยสะอาดด้วยดูออกไหมเนี่ยเราภาวนาได้ถูกต้องแล้วครับดีนะเก่ง เข้าขั้นเก่งเลยคนเนี้ยเอาไม่ส่งกันบ้านเอาไม่ต้องเกี่ยงเสียเวลา <c oughs> เวลามีน้อยน้หมดแต่มาระย่าต้าคุณก่อนฉันก่อ น, น, อนนะคนอื่นเขาจะกว้างเราก็รู้สึกว่าทั้งมันมันแปลกตรงที่มันมันแวบหนึ่งมันฟุง้งซ่านแล้วก็มันประคองแล้วก็มันก็สงบแล้วก็มันก็ตื่นเต้นนะจ๊ ะ, ะนั่ น, นแหละดูไปทั้งหมดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นดูไปแค่นี้พอแล้ว<ด> นันกมรดการหลวงพ่อนะคะคือว่าสองคนนี้เพิ่งมาครั้งแรกกันนะคะทีนี้จะขอกราบถ้าเกิดว่ามีข้อปฏิบัติหรือว่าอะไรที่จะเอากลับไปเป็นการบ้านเหมือนกับแบบว่ามาคราวน้ายังไม่รู้ว่าจะได้มาอีกทีเมื่อไร่ถ้ายังไงรบกวนหลวงพ่อแนะนําด้วยได้ไหมคะให้คอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันใช่ไหมทั้งสองคนนะเดียดเด๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลบเดี๋ยวก็ลองรู้จักโกรธไหม คเคยโกรธไหมโกรตลอดโกรธตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยเวลาความโกรธเกิดขึ้นนะเรารู้ว่ามันโกรธดูใจเราเห็นใจมันโกรธนะอย่าไปห้ามมันมันโกรธดูซิเธอจะโกรธนานแค่ไหนดูอย่างนี้มันโลภขึ้นมาดูซิเธอจะโลภแค่ไหนรู้จักใจลอยไหมเมื่อเม่ะเมอบ่อยไหมวันหนึ่งไม่ค่อยค่ะเหลือยังภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาเป็นนะจะพราบว่า สวินาทีสามวินาทีก็เหม่อทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไหมค่ะเนี่ยตกใจแล้วรู้สึกไหมตกใจให้รู้ว่าตกใจนะเนี่ยใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมเหม่อไฟแวบหนึ่งแล้วเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยไปอีกแวบหนึ่งแล้วรู้สึกไหมค่ะเออเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมมันจะหนีไปคิดพอจะดูทันไหมหลวงพ่อบอกแล้วพอดูออกไหม ว่าใจเราไม่เหมือนเดิมเนี่ยใจตอนนี้แอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ย <c oughs> คอยดูนะคอยดูแต่ไม่ต้องดูละเอียดอย่างนี้ก็ได้เอาว่าเวลาโกรธขึ้นมาก็เห็นว่าใจมันโกรธมันโลภขึ้นมาเห็นใจมันโลภดูไปอย่างนี้ก็ได้ยังไม่ถึงขั้นดูหลงลก็ดูความโกรธไปก่อนถ้าในกรณีว่าเราดูความโกรธแล้วเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าอุย้ยเราโทสะแล้วนะเราเริ่มโกรธแล้วนะเราจะดาวตัวเองลงมาอย่างไรคะคำดาว ถ้า<ร>ถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางนะความโกรธมันจะดับเองแต่ถ้าอยากให้หายโกรดมันไม่หายอ่ะโกรธกับแค้นนี่เหมือนกันไหมคะอ่ะโกรธเป็นกิเลสตระกูลเดียวกันนะ <c oughs> คือว่า <c oughs> เป็นกิเลสตระกูลโทสะด้วยกั น, นะโกรธเนี่ยมันอยากทําลายล้างเครียดแค้นใช่ไหมอาฆาตจองเวนมีคําหลายคํานะพยาบาทอย่าเ ง, งี้ย มันก็พวกไม่พอใจด้วยกันเนี่ยใจแอบไปแล้วรู้สึกไหมค่ะเริ่มรู้สึกนิดนึงเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมเออดี <c oughs> อ้าไปได้อีกคนเดียวแหละอาว่ามากลามนวัสการหลวงพ่อค่ะก็ก่อนที่ใหม่จะมานี่ก็มีทั้งตื่นเต้นมากบ้างน้อยบ้าง แล้วก็มีช่วงเดือนที่แล้วอะค่ะคือแปลกใจไม่ทราบว่าเกิดอะไรเหมือนกันนะะคะคือนั่งนั่งอยู่ข้ามกลางคนเยอะๆอะค่ะที่ติดตัวติดติดกันะนะคะกอ็อยู่รู้สึกว่าเสียงเสียงของคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยไม่ไม่เข้ามากระทบข้างในตัวเองก็ช่วงนึงอะค่ะประมาณไม่นานใจมันมีสมาธิขึ้นมา มันไม่ออกไปสนใจข้างนอกมันรู้สึกทุกอย่างเลื่อนๆไปหมดเลยมันเข้ามาไม่ถึงใจเราอย่าให้ติดออกมาอยู่ข้างนอกนะแล้วแล้วมันเหมือนว่าเวลาเราจะคิดหรือจะอะไรเนี่ยมันไม่ยอมคิดด้วยอะนั่นแหละมันติดสมาธิเรอค่ะเนี่ยขนาดเนี้ยมันยังติดออกมาอยู่เลยรู้สึกไหมใจมันซึมไปใจถึงถึงนะโยนมันทิ้งไปแล้วหนูไม่เคยนั่งสมาธิเป็นนะคะสมาธิมันของง่าย แล้วอยู่มันก็นั่งเป็นเองเวลาที่เราจงใจไปรู้อะไรอย่างต่อเนื่องนะั้นเกิดสมาธิขึ้นเองค่ะอย่างเราจงใจจะดูจิตจงใจดูจิตแล้วไปนั่งจ้องไว้ก็เกิดสมาธิขึ้นมาค่ะเนี่ยแล้วมันติดออกมาจนถึงเดี๋ยวนี้เลยเอ้าวจุนขอบขอบพระคุณค่ะได้แค่นี้จุนงั้นจุนขอพารให้เพื่อนที่มาจากเวียงจันทร์ให้เขาได้ส่งกันบ้านได้ไหมคะไหนไหนชาวเวียงจนันทร์อ้าวว่าไปทําไมไม่นั่งหน้าหน้า คือรู้สึกว่าตัวเองเพ่งกับเผลอสลับกันนะคะแล้วพอตอนที่เราเพ่งเนี่ยมันจะหลวงพ่อบอกว่าให้มองว่าให้รู้ไปว่าเพ่งมันจะหนักลงหนักลงหนักลงไปเรื่อยๆค่ะมันถล่มไปจ้องฮะลืมลืมมันไปซะเวลาเพ่งอนี่ะแต่พอเราขยับตัวมันหลุดอะค่ะเราขยับไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆอย่าให้มันนิ่งค่ะการเพ่งเนี่ยไม่เหมือนเผลอเผลอถ้ารู้ว่าเผลอนะเจอหายเผลอทันที แต่เพ่งรั้วเพ่งน้ะไม่หายหรอกยิ่งเพ่งหนักกว่าเก่าก็ได้เราต้องขยับเรื่อยๆหรอคะหลวงพ่อเออเคลื่อนไหวไว้กรดูกกระดิ ก, ดกอย่าให้อยู่เฉยๆกวาดบ้านไปก็ได้ <c oughs> เคลื่อนไหวไปทั้งวันเอาได้แค่นี้นะโยมเชิญไปกลับบ้านตัวใครตัวมันนะความตายถึงเมื่อไหร่ก็ได้